ส่วนฝั่งที่ครบรคะ่ะนี่คือรายการสันนิสนานาผ่านไปสำหรับช่วงแรกนะคะเราก็ได้ปฏิบัติธรรมกันตามสมควรภายใต้การนำของกรรมะชาคิทวารุและหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการฟังพระสูตรคนตื่นเช้าๆเนี่ยดียฉันมีโอกาสได้เจอผู้ฟังรายการก็มีหลากหลายกิจกรรมนะคะที่ทำให้ต้องตื่นเช้าบางคนก็ตื่นอยู่แล้วเป็นกิจวัตร บางคนก็บอกว่าตื่นมาเพราะว่ามาออกกำลังกายมาค้าขายการออกกำลังกายบางคนก็เล่นกอล์ฟนะคะบอกว่ามันจำเป็นต้องตื่นเพราะว่าต้องไปตีกอล์ฟกันไกลๆไม่ว่าท่านจะทำกิจกรรมใดหากท่านฟังรายการนี้เรามั่นใจได้เลยนะคะว่าท่านกำลังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นชาวพุทธที่จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ นั่นคือเรื่องของพุทธวจนะอย่างเต็มที่ค่ะท่นฝั่งคา้าแล้วสำหรับต่อไปเราก็กำลังจะได้ไปพบกับพระพบูบุญอภิปุโนโจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกันค่ะนวสการาคะน่าคคะเชิญพานค่ะพระสงฆ์ตื่นเช้าๆ้านี่มาทำอะไรคะปริชาบอกว่าพระภิกษุเนี่ยควรจะต้องตื่น ในก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นในยามสุดท้ายของราตรีแต่นี้ก็ไม่ได้เป็ น, ปนวินัยที่บังคับหรอกมีแต่ว่าเป็นคําแนะนําในการที่จะประกอบตนให้อยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นคือคนตื่นกับคนหลับไหลเนี่ย ม, มันไม่เหมือนกันแต่มนคนหลับไหลก็จะแบบไหลไปตามนู่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามกระแส น, นี่คือคนที่หลับไหลบูชาพูดถึงคนที่ประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นเนี่ยคือไม่ใช่ตื่นอยู่ด้วยสักแต่ว่าอาการที่ตื่นนะ ตก็ตื่นมาแล้วก็ทําอะไรด้วยตื่นนี่คือตื่นในยามสุดท้ายของราตรีตื่นมาแล้วก็ประกอบความเปลี่ยนในการที่จะให้จิตของเราเนี่ยหมดจากกิเลสจากกิเลสที่จะทําให้เราแบบต้องไหลไปตามสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรเงี้ยนะค่ะก็<ม>คือการเดินจงกลมนั่งสมาธินั่นแหละศึกษาธร<ม>รมะพระภิกษุก็มีเหมือนกับออฟฟิศอย่างนี้เลยคนออฟฟิศเขตื่นมาทํางานใช่ไหมเตรียมตัวไปทํางานบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะพระสงฆ์ก็ตื่นมาแล้วก็ อไปประกอบอาชีพนะคือการพิคขาจารย์เสร็จแล้วกิจกรรมอในออฟฟิศของพระสงฆ์ก็คือว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็อาจจะมีพระสงฆ์บางรูปอย่างท่านอาจารย์คือฤทธิ์เดชอาตมาพระไปบูรณ์อย่างเงี้ยหรือท่านมาอย่างเงี้ยอที่มาแบ่งส่วนทําหน้าที่ในเรื่องของการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็นําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็เนี่ยค่ะส่านฟังค่ะเหตุผล ของการที่พระสงค์ตื่นเช้าก็แตกต่างกันด้วยด้วยเพศในคําในที่นี้คือที่ฉันกําลังนั่งคิดนะคะแหมภาษาไทยเนี่ยคำคำหนึ่งมีความหมายอย่างนี้พอเป็นภาษาธรรมจะมีความหมายที่แตกต่างไปในอีกแบบหนึง่งอย่างเช่นค้างว่าเพศในกรณีเนี้ยนะคะกําลังจะหมายถึงว่าเพศของการ เป็นผู้มีศีลที่แตกต่างกันเพศคารวาดก็อย่างหนึ่งเป็นพระสงฆ์ก็อย่างหนึ่งส่วนเมื่อสักครู่นี้ท่านใช้คำว่าหลับไหลนะคะคำว่าตื่นเนี่ยเมื่อคิดตามท่านหลับทุนท่นๆแบบเราเราก็คิดถึงเรื่องของการพักผ่อนเข่งพร้อมจะฝันพร้อมจะทำโน่นทำนี่แต่ว่าพอหลับไหลปุ๊บเนี่ย มันคิดถึงการหลับไปแล้วไม่รู้เรื่องนะคะหลับแล้วฟุ้งไปโ น, โน่นไปนี่จริงๆส่วนคําว่าตื่นนคะคะตื่นตื่นของครารวาสมันก็ตื่นแบบนะคะตื่นมาก็คือว่าอ่าจากการที่ได้นอนหลับพักผ่อนและลุกขึ้นมาเพื่อที่จะประกอบกิจต่างๆอีกครั้งหนึ่งอืมแต่ของพระหรือว่าภาษาธรรมเนี่ยมันมากกว่านั้น<ช>คําว่าตื่นเนี่ยจะว่าไปมันดูเหมือนกับยิ่งใหญ่นะคะภาษาธรรม อมันยิ่งใหญ่ตรงที่ว่าพระเจ้าพูดไปชัดเจนคือประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นนะคือฉากเคลียรนธรรมเนี่ยเป็นหลังจากที่ว่าคนที่คิดว่าชีวิตนี้มันหาสาระอะไรได้น้อยก็คิดว่าจะทำความเพียนเพื่อที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัตรใช่ไหมพอบวชมาแล้วเนี่ยต้องมีศีลต้องรู้จักประมาณในการบริโภคต้องเป็นผู้ที่คอยประกอบตนอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่น นะ น, นี้จะเป็นลำดับที่สามที่4ี่ที่สามารถทําได้นะถัดไปก็จะเป็นเรื่องสติสัมปชัญญนะคือมันจะเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็ทําให้ให้เราเนี่ยดีขึ้นในการปฏิบัติคุณยมติลงคิดดูคนที่ประกอบอยังทำเครื่องอันเป็นเครื่องตื่นได้นี่นะคุณจะตื่นได้เนี่ยคุณจะไม่หลับไหลได้ฟุง้งเฟอ้อได้คุณจะต้องรู้จักประมาณในการบริโภคมาก่อนคะ่นะคือไม่แบบไม่กินมากไม่กินมากมก็ง่วงนะ ถ, ถ้าเรากินพอประมาณรับประทานพอประมาณเนี่ย เราจะประกอบตนนยูทธมเป็นเครื่องตื่นได้มันจะเกี่ยวข้องกันอยู่ค่ะก็เท่ากับว่าถ้าจะพูดถึงคำว่าตื่นในคำสอนของพระศ า, าสดาแล้วใช้คำว่าจะมีประโยคว่าประกอบอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่นใช่ตื่นอันนี้มีความหมายมากกว่าการลุกขึ้นจากนิทรา การที่ไม่หลับไหลไปตามกิเลส อ, อย่างเช่นว่าบ้านเมืองเขาเป็นอย่างนี้เราก็ไหลไปตามอย่างเงี้ยนี่คือผู้ที่หลับไหลมีครั้งหนึ่งคุณโยมติ๋วที่พระเจ้านอนตะแคงขวาอยู่กลางวันนั้นอนกลางวันมารก็เข้ามาเยะาะเย้ยพระเจ้านะอันนี้จริงๆเป็นเรื่องที่จะพูดถึงในพุทธชีนตีนด้วยแต่นะว่าถ้าเราจะ พูดถึงความเป็นผู้เช่าเนี่ยผูเช่ามาแ ม, มาเยอะเยยผู้ชานะบอกว่าเอา้าทไมมานอนกลางวันอย่างี้อ้ยเป็นคนหลับไหลไม่ทำประโยชน์อะไรบ้าประมานเนี้ยนะนี่คือ <Okay. S 1> วาของมนผชาบอกว่าคนที่หลับไหลเนี่ยจะสักแต่ว่าอยู่ด้วยอากับกิเลสของการหลับไหลก็ลไม่แต่ว่าคนที่หลับไหลเนี่ยคือคนที่ยังถูกกิเลสครอบงาอยู่ไม่หาทางออกไม่เจอยังไม่ตื่นจากกิเลส แต่พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่กําจัดราคาโทสะโมหะให้สิ้นแล้วมนันเธอตั้งหากที่ว่ายังอยู่ในอำนาจกิเลยังอยู่ในสังสารวัตราังนั้นจึงเธอจึงเราเนี่จะเนผูดตื่นอย่างแท้จริงนี้ค่ะแต่มาไม่ใช่ไม่ใช่หลับไหลแบบข้ามคืนอย่างนี้แต่เป็นหลับไหลอ ย, อยู่ในสังสารวัตรใช่รวมแล้วกี่คืนเขสังสารวัตรนี่มันยาวนานแค่ไหนคุณยมติย์ลองนึกถึง อ, อย่างวันและคืนที่เรา ที่เราอยู่ๆเนี่ยนะตอนเช้ากลางวันเราวัดเที่ยงเที่ยงวันบ่ายโมงบ่สองเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นของสมมุติขึ้นมาตามเพราะมันมีกลางวันกลางคืนเข้าใจไหมพอมีกลางวันกลางคืนเนี่ยมันจึงต้องมีวัดว่าเป็นชั่วโมงนาทีอะไรนี่กลางวันกลางคืนมันคืออะไรกลางวันกลาคืนมันก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าโลกมันหมุนรอบดวงดวงอาทิตย์ถูกไหมมันก็หมุนหมุนไปหมุนหมุนไปเพราะฉะนั้นกลางวันกลางคืนเนี่ยมันไม่มีหมดเลยนะ อย่เรานับไปนับหนึ่งนับสองนับสาเป็นอายุร้อยปี20ปีอันนี้นับแบบว่านับเล่นๆเฉยๆ แ, แต่จริงกลางวันกลางคืนมันก็แค่แค่กลางวันกลางคืนวนไปเรื่อยๆก็คือการหมุนรอบดวงรอบโลกของอรอบดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่เป็นประจำนี่สมัยมีสมัยที่ยังไม่มีพระอาทิตย์ประจันทเนี่ยกลางวันและกลางคืนก็ไม่ปรากฏนะแต่สังสารวัตรก็ยังมีอยู่ เนาะมีสมัยที่ไม่มีพระพอาทิตย์จันทร์ด้วยเล่ะคะมีพระเจ้าเคยผ่านมาแล้วหรือยังไม่มีอผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วคือคือในในกลับนี้เนี่ยในพัฒรกับในกับเนี่ยนะที่เราอยู่เ <c oughs> นี่ยนะก็จะมีกลางวันกลางคืนอยู่เรื่อยๆในช่วงระหว่างกลับนะในช่วงระหว่างกลับเนี่ยอาจจะไม่มีกลางวันกลางคืนอ่าเดือนหรือปีต่างๆก็จะไม่มีค่ะ <c oughs> คือเ <c oughs> นื่องจากไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามีสังสารวัตรแล้วใช่โอ้แสดงว่าสังสารวัตรนี่มันเป็นเป็นอินฟินิตี้อะไรหรอคะโอ้สังสารวัตรเนี่ยวิชาบอกคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติค่ะอินฟินิตี้นั่นแหละอความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติเพราะฉะนั้นอย่าหลับไหลยอยู่ในสังสารวัตเลยถ้าเราเป็นชาวพุทธใช่ต้องพยายามทําตน ให้พ้นจากความหลับไหลหนีให้พ้นจากสังสารวั ต, ตเพราะความเกิดเกิดแล้วเกิดอีกนะคะเป็นนเอกชาติคือสังสารวัตรถูกต้องพระรูชาบอกว่าตอนที่พระองค์เนี่ยยังไม่ค้นพบแสงสว่างยังมัวส่อหาผู้ที่จะมาคอยสร้างบ้านสร้างเรือนให้พระองค์อยู่เนี่ยนะบ้านเรือนเนี่ยคือหมายถึงการที่จะต้องมามีพบมีชาติมีพบมีชาติอีกก็จึงต้องเกิดแล้วเกิดอีกเป็นใ น, ในเอกชาติ นั่นคือสังสารวัตรท่องที่ไปในสังสารวัตมค่ะนี่ก็ปีพุทธเชีนตีสองพันหกร้อยปีแล้วพระพุทธเจ้าก็ปลุกให้พวกเราตื่นมานานแล้วสิคะก็พยายามปลุกให้คนให้ตื่นจากการหลับไหลไงค่ะคนบางคนบอกว่าวงเงี้ยวงเงี้ยได้ยินวิทยุอยู่บอกเอย่าว่าตื่นจากการหลับไหลอย่างงั้นเลยตื่นจากที่นอนยังไม่อยากลุกเลยนี่ก็เป็นข้อดีของเทคโนโลยีนะบางทีนะ ทำให้ธรรมะได้สามารถเข้าถึงได้ในทุกที่ทุกสถานนะคะค่ะแต่เราก็สมมติว่าท่านตื่นหมดแล้วล่ะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยพระอาจารย์คือหมายถึงพระสงฆ์ในจะแสดงธรรมลำบากดิฉันจำได้ว่าเพิ่งพูดกันผ่านไปว่าจะไม่แสดงธรรมให้กับผู้ที่นอนถูกไหมคะอืมเพิ่งศึกษาว่าถ้าบุคคล อ, อนอนออไม่ป่วยนอนอยู่เนี่ยเราไม่พึงแสดงธรรมให้ฟังค่ะท่านคะทีนี้มาถึงตอนนี้จะผ่านไป ถึงเรื่องเกี่ยวกับคําถามได้ไหมคะได้ๆ ด, ดแล้วก็เป็นคำถามที่ต่อเนื่องจากสิ่งที่ท่านได้กล่าวไปแล้วในเมื่อได้เปิดเอาไว้ว่าสังสารวัตเนี่ยมันเป็นความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาต์พระพุทธเจ้าทรงสอนทางออกจากสังสารวัตนี้ไว้พอที่จะพูดในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ได้ไหมคะเออเพราะว่าความยึดถือเรามีความยึดถือว่าเราจะต้องมา เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พระาพูดถึงเหตุของสังสารวัฏเนี่ยก็คือเจ้านายช่างผู้ปลูกเรือนในที่คอยมาสร้างบ้านสร้างเรือนให้เราเนี่ยสร้างภพใหม่สร้างชาติใหม่ให้เราเนี่ยนะก็คือนายช่างผู้ปลูกเรือนคือตันหาตันหานี่เอาอะไรมาสร้างให้นะวัตถุดิบของนายช่างผู้ปลูกเรือนเนี่ยก็คือกิเลสแล้วก็พอสร้างปุ๊บเนี่ยเขาต้องสร้างยอดเรือนก่อนเพื่อป้องกันอะไรไม่ให้ มันเปียกไม่ให้มันอะไรใช่ไหมถ้าน้ําเปียกแช่แล้วแล้วเรือนจะผุได้ไอ้ยอดเรือนเนี่ยก็คืออวิชาอยอดเรือนคืออวิช า, าเพราะนั้นอ่าใช่เพราะฉะนั้นอ่าถ้าพูดสั้นๆว่าเอ้เราจะหลุดออกจากสังสารวัฏยังไงคุณต้องทําลายยอดเรือนก่อนคือตอนนี้คุณมีเรือนอยู่นะถ้าฟังรายการวิทยุได้เนี่ยอยู่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยแสดงว่าคุณมีมียอดเรือนแล้วต้องทําลายยอดเรือนก่อนคแล้วก็ทําลายไอ้ตัวเรือนให้หมด แต่เดียว ถ, ถ้าคุณยังหานายช่างผู้ปลูกเรือนไม่ได้จัดการมันไม่ได้เดี๋ยวต้องมีเรือนอีกเพะฉะนั้นต้องไปจัดการตัวมันก็คือตันหานั่หนึ่งตันหาละอวิชานี่แหละที่เราจะต้องละให้ได้วางซะอย่างนี้นะท่านจํากัดให้เห็นอยู่เพียงแค่สามธรรมใหญ่ๆใช<จ>่ก็คือเหตุของมันว่าถ้าเปรียบไม่เปรียบเหมือนว่า สังสรารวัตรคือการมีบ้านถูกไหมคะถ้าฟังอย่างนี้ใช่มีบ้านไปเรื่อยๆค<ช>่ะคือการมีบ้านแล้วก็เปรียบเทียบว่าบ้านเนี่ยมันปลูกโดยนายช่างใช่ซึ่งเรียกวตัวตันหาแล้วก็วัตถุดิบหรือองค์ประกอบในการปลูกบ้านก็คือกิเลสแล้วยอดเรือนคืออวิชชาการที่จะแก้ปัญหานี้ท่านบอกว่าให้ไปที่นายช่างผู้ปลูกเรือนเลยหรอคะ ใช่ต้องตามหาตัวเขาให้พบตามหาตัวเขาให้พบตันหาตันหาถ้าในที่นี้จำจำกันได้คือแปลว่าความอยากถูกต้องอถ้าคิดส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คิดสักเท่าไหร่แต่ถ้าบอกให้คิดเนี่ยก็รู้อะค่ะว่ามันเกิดความอยากยังไงก็มีเห็นต้องตามอะไรมากนี่คะ่ะทั้งค่ะคือคือความอยากเนี่ยคือไอ้พวกนี้มันทํางานเป็น Team, แท็ทีมนะคุณหยมติว๋วถ้าเราถ้าเราวิเคราะห์มันทีละตัวเนี่ย ก็ก็ได้อยู่คุณจะเข้าใจอย่างงั้นก่อนแต่นี้ว่าเวลามันทํางานแท็กทีมเนี่ยคือมั น, ม, นมันทํางานร่วมกันคืออวิชาเนี่ยบังตาเราตันหานี่ดึงหลังเรานั้นเราจะไป <Okay. S 2> หาไอ้คำไอ้ที่มันดึงเราไว้เนี่ยเราก็หาไม่เจอเพราะวาอาวิชามันบังอยู่เราจะมาคลำไอ้ที่มันเอาอาวิชามานอ่าเอาเอาอกจะไปออกไปจากตาเราเนี่ยเราก็ออกไม่ได้เพราะว่าตันหามันยึดเราอยู่ค่ะมันมันแท็กทีมอย่างนี้อ่ม แล้วไ อ, ะะไอ้กิเลสเนี่ยมันก็มีอยู่เรื่อยๆทำให้ตัณหาใ ช, ใช้งานเราอย่างแบบเป็นธาตุเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องเลยค่ะอืฟังดูก็ดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอยู่เราพอรู้เราพอเข้าใจหาเพียงแต่ว่าเราจะไปนึกถึงเพียงแต่ตัณหาในที่นี้มันนึกถึงง่ายแต่มันกําจัดยากใช่เพราะว่า เจ้าตันหาเนี่ยจริงๆประเด็นเรื่องนี้เราจะพูดได้ในส่วนของการปฏิบัติคุณยมติว<อ>ซึ่งจริงอาจจะพูดใน ว, วันต่อไปก็ได้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติวันนี้อาจจะเวลาไม่พ อ, อคือว่าไอ้ตันหากับจิตเนี่ยมันเป็นสภาพอย่างเดียวกันกคือตันหาเนี่ยเป็นสภาพที่ไหลไหลลื่นเป็นแบบนองเป็นของนองๆ น, นะเหนียวยืดเนืดนึบโผล่แล้วก็เหมือนกับกับดักหนูอ่างั้นนะ่ะเหยื่อมาไว้แล้วก็เนึบเลยซึ่ง ถ้าบอกว่าตัณหามีสภาพอย่างนี้เนี่ยนะจิตก็จะต้องมีสภาพอย่างเดียวกันเพราะไมงั้นตัณหามันจะตามจิตไปไม่ได้เข้า<ม>ใจไห ม, มเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทําความเข้าใจสภาพของจิตเนี่ยซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นประเด็นที่สามารถพูดได้ในวันต่อไปนะค่ะฟัง<ม>ดูเหมือนกับว่ามันเป็นประเด็นที่จะต้องทําความเข้าใจกันอย่างยิ่งเพราะจะเรียกได้ว่าถือว่าเป็นหัวใจของการที่จะแก้ปัญหา ให้หลุดพ้นจากสังสารวัตรหรือเปล่าคะใช่เราต้องเข้าใจตรงนี้เข้าใจตรงนี้ี่จะเป็นส่วนหนึ่งของความเข้าใจความทุกข์เสร็จแล้วเข้าใจแล้วก็ก็ต้องวางให้ได้ด้วยอคือคือคเข้าใจเนี่ยมันแค่จำได้เฉยะรู้เฉยรู้แล้วถ้ายังไม่ถึงไปการนําเอาไปใช้ก็ยังไม่ใช่ว่ารู้รอบจริงๆริค่ะเนี่ยนะคะท่านกําลังจะมีประสบการณ์ความรู้ ที่สําคัญมากเป็นความรู้ที่จะพาท่านหนีไปจากดินแดนที่คนทั้งโลกเนี่ยควรจะหนีแล้วก็มีเป็นจํานวนมากหรือน้อยคะที่หนีได้โอ้พระอาหันมีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่สามร้อยมีอยู่มากกว่านั้นมากนะค่ะแต่ในคําว่ามากกว่านี้ม า, มากแล้วมากแล้วครึ่งหนึ่งข้อ น, นึงอย่างนี้ได้ไหมคะ เอจะนับเป็นแบบจํานวนคนใช่ไหมในแต่ละสมัยในแต่ละการในแต่ละสมัยก็คงจะอคือบุคคลที่จะมาพยากรณได้ก็จะมีพระพุทธเจ้าน ะ, ะแล้วก็นอกจากนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ตัวของคนคนนั้นจะรู้อยู่นะคะก็สรุปแล้วชีวิตนี้มีหวังพ อ, อมีหวังเพราะว่าเพราะว่าฟังฟังดูนี่ก็เหมือนแบบว่าไม่ได้บอกว่าทั้งโลกเนี้ยบรรลุได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็น กี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ละเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นหนึ่งในนั้นขอเพียงแต่รู้แล้วก็เอาไปทําเพราะฉะนั้นต้องติดตามให้ได้วันนี้ในมรส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นบุญอภิบุญโญในโอกาสนี้นะคะใช่ค่ะานท่างฟังที่ครรอครันี้คือรายการสัสนิยมสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวดําเนินรายการโดยดิฉันสัสนิยน่าพงศ์นะคะเราก็จะทำความรู้ในเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนในหลักครารมาฝากในปีพุทธชยัยนตีพระพุทธเจ้า เกิดมาแล้ว 2,600 ปีท่านไพบรบุก็จะยกประเด็นที่มาเน้นมาชี้ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นอย่างนี้ทรงทำอะไรอย่างนี้เอาไว้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ทราบได้ตระหนักแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติวันนี้ก็เป็นเวลาที่คุ้มค่าอีกวันหนึ่งนะคะใครที่อยากจะทบทวนพุทธวจนะหนังสือที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์โสิโลท่านแจกก็มีอยู่ค่ะ วั ล, ลาสาท่านนะคะศูนย์สองสองาท่านฟังก็ตรศัพท์ติดต่อเข้ามาในเบอร์นี้ที่เป็นเบอร์ซึ่งสามารถจะส่งคำถามเข้ามาได้ด้วยส่วนคนที่เริ่มคุ้นเคยกับเทคโนโลยีแล้วนะคะส่งไปที่เพียวธรรมะ .com/106 ค่ะแล้วเราก็จะได้นำเอาคำถามของท่านทั้งหลายนั่นแหละมาถามเพื่อเป็นการให้คนอื่นที่ไม่มีโอกาสถาม ได้ประโยชน์จากคำถามของท่านด้วยนะคะแล้วเราก็จะกลับมาพบกับท่านอีกในวันพรุ่งนี้ตีห้าเหมือนเดิมสำหรับวันนี้พุทธวัตรสวัสดีค่ะ